ระฐธรรมเตสนาจารดเครื่องดังนวลคำผูกติซิบเรียบยังใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูป ร, รียนทำภูุกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงหายะโมตัสาภากวโตอะราตสัมมาสัมปุทตา ทศวิพาตาญาณติญาตาปสู mm ินนังจะนาังปุปปะกัมมังยันตวตีสะทบาทุระสะปูริจตั้งหลายตั้งยิงใจมวนหมู่อันดั่งอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อ ตามบาทคอบาลีว่าตัตสาวิพาตาญรัตติญาดังนี้เป็นต้นวัดนี้แดเตอ <c oughs> ทตัตสาวิพาตาญรัตติญาสว่วนอันว่าเจ้าระสีตนมีวัดนี้วิเศษจบแจง เ, เป็ดหันส มาอยู่ในป่ากวางปัมเป็งสร้างสมปราจบอาพิญญาณแปด้องหูแจ้งส่องหันไก่จริงเล็งยานไปลายจาดหันนางนาจนวลคำมีบุญนำมากวางใดก่อสร้างเตรียมมากับอุ ป, ปาราชานุ่มเน้าบ่อสูนเป่ายัางมี ดังมานีกาใหญ่ ก, กวรดีใส่แหวนคำย้อนบุญนำจักจองจริงจากทองเฮือนตนมาตกห่นป่าไม้มาจวบใส่หันกันน้าบุญอันสองเจ้ารวมขันเขายอตา อทิฏฐานบ่อขาดสายน้ำยาดยังมีแม่นจักหนีผากนาตกขอบป่าแดนไก่รืออยู่ในเถื่อนกว้างภัยบ่าออ่างตัดบันบ่ออาจฟันหืขาดยังสายน้ำยาดหมายตานเจ้าทารงญาณหูแล้วใจพ่องแพวยินดี ตันร้อยเทีย น, นรุ่งตาวันปุ่งขึ้นมาก็ใครจะบอกเล่าฮือแก่เจ้ากุมารว่านั่งองคานอ่อนน้อยจชื่อยอดซอยนวนคำอันยักอาธ ร, รมอยาบจะไปกุมก้าป่ามาเราขุนนาช่วยไว้ หัวไก้อาสรุมนางอุดมนั้นเล่าถึงเมื่อเจ้าเติงมาย่อมแต่งดาลูกไม่มีความไขรเหลือหลายนำมาถ้าไหวายกยืนด้วยใจจืนตั้งวันเจ้าจักหันบอ่อจ้าจุงอยู่ท่าเราไปแดดเตอร์ กันตาวันแจ้งส่องหันไข่หองดงดำดางบุญนำยอดใหญ่กอดาลูกไม้หัวมันมีหลายอันหลายสิ่งรส า, าญิ่งนานาเ <c oughs> ่อนนาำมาแต่เจ้าทาววายปอเจ้าตาปาษสาดังตั้งวันมาเมื่อก่อนก็หันเจ้าน้อยอ่อนคำใจรูปพิงพายองอาจ ดังเตวาบุดยอดลงมานางโสฟาสาลังใจบบอตั้งเรร่นหัวอกตนไวววันสะต้านสันเหลือลาย นางยินลายลายหลากบ่อจ้างปากไขกัมเต่าอยอมือตั้มต่างเกาวไวเสึ่งเจ้าระสีแล้วรีบหนีขึ้นสู่ยังตีอยู่แดนตนก็มีหันแลยนาะส่วนว่าโปธิสัตตนองอาจคือเจ้าน้อยนาตาสวาราหันกับตาแจ้งที่บ่มีตีสงสัย ก็ม <t Any navy> ีใจปั่นกว้างตาปอข้างลืมคิงจักต้วงติ่งยินยากบอจ้างปากจะทำกันดังงามปิกปอกวายนาออกไปไกล จิงกิดใจขึ้นใดรีบน้อมไวระศีวันยอดนารีน่อเนามาไวเจ้าท้ารงทมแม่นังนวนคำนอลาอันยักอยาบจ้าปมาจรือ ที่นั่นเจ้าราสีบุญใหญ่จบแจงไข่ทรงญานก็ไขรขานต้านต่อซึ่งเจ้าหนอบุญมีวันยอดนารีนิเล่าคือนางหนอเนาล้วนคำอันยักอา ร, รมอยากจะไปกลุ่มกว่าปามาจากปาราเตต้องมาสู่ห้องดงตันยามตะวันตกค่ำรวดมืด คำจนตายักป์ปลาห้าวหาดก็จากอากาศลงดินดูวดเมาวินลงป่าบ่กว่าตัางใดอุ้มนางลงไว้หน่อไทยอันพงร้องให้ไวา ย, วาย <c oughs> พุมาไกา่ตีไก่เฮาไดเร็วไว้รีบออกไปเอื้นดายักบาปกายินกลัวก็ว่างตัวนางไว้นี่เข้าป่าไม่ไปปัน เราก็ปั่นนั่งอ่อนฮื อ, อยู่บนศาลานาังโซภาน้นยนาดบ่ละขาดกองดีลูกไม่มีหลายแหล่เก็บมาแผอยอปั่น ตั้งน้ำฉันน้ำใจเราบ่อใดเครื่องกานางตักมาบ่อขาดกันตาวันปาดได้วดวงก่อน้ำปวงดอกซอ้อมเฮเราน้มปูจา นางนันมาอยู่ไกลนับว่าใดเดือนปลายกันเจ้าหมายไขรหูจุงไปสู่ศาลาแล้วไครจะถามข่านางเตียงเกา่าไขรปันบัว ย, ยาจะเลยนาะ อุปราชานุ่มเดาใดยินกำเจ้าทารงยานมีใจบ้านหลายหลากซ้ำกึดยากจากไปเยี่ยวนั่งลงวัยน่อยนอบอตันต่อจะตึง เจ้ารำเปิงหลายปอกคืดอยากออกเตียวไปถึงตาวันใส่กึ่งฟ้าเจ้านอลาบุญนำจริงย่อมือตั้มต่างเกาไว้ส่งเจ้าราศีนบสามตีสามป อ, อกแล้วก็ออกไกลกาไปสาลาติอยู่แห่งนางกินกู้นวนคำแล้วไข่กําเรียกร้อง อยู่นอกห้องศาลาวานางโซภาเฮยยน่อยอ่อนยังอยู่บนไปใไหนหรือออกไปไปนอกแถวจมดอกหลายพันเรือหาหัวมันลูกไม้ที่จิมไกอาสรุมปีพารุมไข่หูวานางน้องอยู่เมืองใด มาตกดงไพรฝากวางย้อนไฟอ้างสั่งจาขอนางจากเกาจี้เฮแจ้งที่ตามรายนางบญภัยกินกู้ลี่ซ่อนอยู่ไปในผ้าตู้ไข่บ่อใดใส่แสวหาหนำได้ยินกำเรียกร้อง อยู่นอกค้องห่อตนใจเร่ร้นวัยวันสะตานสันตั้งตัวนางยินกัวนักแก่จริงบอตอบแต้บอตอบแกไขรจ้าเจ้าบุญนานนมเดาทำลืมเล่าไหลตีนางบุญมีหยอดซอยก็บอตอบทอยไข่กัมดอคุณทำยอดแย่แสงตานเก่ากำไป ว่าบ่ามีไผยแต่เราจักอยู่เฝ้าศาลาเจ้าของหาบาได้ละศาลาไว้มองได้เราควันผ่านไผยเตีวยกว่าเข้าสู่ป่าดงไพรกันจะใครเสียงขาดก็แสงย่ายบาดถอยห่นนางตามุนกินกูลี่ดักอยู่ภายใน ก็ใส่ใจว่าแต้จริงรีบถอดแส่ผ้ตูออกมาจู่ไปนอกร้องเอินบอกย้อมหลังว่าคนใจสั่งอย่าปรายมักโคตง่ายเลือใจจุงเร็วไว้ปิกปอกวายนาออกขึ้นมานางจักจ่าบอกเราตามปีเจ้าจักถาม เจใจรำอุป ร, ราชฟังก ร, รมนางนาจจะใครก็เร็วไวขึ้นสู่ยังที่อยู่ยิ่งนางเยี้ยนาจังตาำก้อยบอกกาวถอยไขรกรรมก็มีหันและนา เมื่อนั่นนงยอดซอยนวนคำก่อไข่ํำต้านเล่าว่าตนพี่เจ้าเป็นภัยจักไปในดันสอดจริงมารอดสาลาพ <c oughs> าธาดาไฟคลองจิตเจตองสิ่งอันใดอยู่เมืองใดต่างดาวขอจุงกาวไครปันหรือคุณสวรรค์อยู่ฟ้า กับเป็ดนาลงมาหรือพาญานักใหญ่อยู่ต่ำไตสากรหรือติบพญาทรตนวิเศษหรือยักเพดดงดานมีใจหันหยาบจ้า ให้เอาคาไปกินหรือนอนนารินยอดยาวลงดานดาวมาจูขคออินดูเก่าอือได้หูบัดเดียวแดดเตอเหมือนั้นโลป ร, ราชานุ่มเนากอตานเหล่ากำไปวัดดูรานังน้องไว้บนใหญ่พี่บอใจขุนสวันบอใจกุมพันหยาบจา บอดใจยักกาเย็นพายจักท่าแรงกายกับเป็ดมาส่เขตาลาบอดใจนากาต่ำใจกับเป็ดใดมาจูปี่เป็นคนจุมปูโลกลา อยู่ลุมฝาเสมอนางปีมาดองควางป่าไม้ ย, ย้อนใขรใดเงินคำคือเต้าตัวดำสุริญทราชใ ด, ดกากาศเสียนางย้อนยักดองควางหยาบจ้า ไปกลุ่มกว่าป่ามายามแต่งดาปอยใหญ่กินแขกไขต่ตั้งเมืองนางบุญเรืองนันไซพี่บ่อได้เคยหันเขาลือกันสาวงามอาข้าเหลือคนยิ่งสะกลโลกใต้บ่อเพียบได้เตรียมตั้นดังสาวสะวันฝากฝ้าลงสู่นาปทวี นางนั่นมีจือไว้ว่านางนอไทยนวนคำจ่าแต่กำอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนใหญ่ยาม น, นางไ ข, ข่คำปากกันถ้าหากหอมนวลผู <c oughs> นดีกวนอยู่เฝ้าจูคำเจ้าคืนวันเจ้าหอจันทร์สุรินทรริตรที่อาจหรือไก่บีหัวใจจื่นสู ว่าจักได้อยู่ปิ่งนางจริงดาดางปอยใหญ่กินแขกไข่ตั้งเมืองคนนันเนืงองโหร้องสนันกองแดนไก่ถึงยามใจมารอจักมัดสอดทุนควันยกพงฟันหน่อเน่าเหือเป็นเก้าจญาญยามียักษ์ขาอยากจาหยาดจากฝ้าไฟบน <c oughs> อุ้มเมาตนนางนาดขึ้นอากาศหนีไปเจ้าหอใจผางไรเป็นหมอมป้อมายขันตํ้มมีนาดำกำเศร้านั่งจดเบาเงาทรงจริงหื้อเอา่งคำใหญ่เป่าร้องไห้เวียงใจว่าแม่นคนใดยังอาจเอานางนาดขึ้นมา เงินคำขาดบืนตเตอจักยืนเฮอปันมันปีจริงเร็วปั่นดาภาคออกมาจากเขื่อนตนดันไรศสมเป่าไม่เปือ่อซซอไสหานาง มาไปวางต่อหน้าแห่งเจ้าฟ้าสุริญะร์เาชาเอาคำขาธงใหญ่ไปใจใจตามเพิงดีกว่าเลื้งแอวเล่นบอกเขาเส้นต่างดี ำ ắn, กำไขหันสรีหลอเบาอันตันเหล่าลือไปว่างามหมอกได้ดังอันพี่จริงดันด้งหนานย้อนบุญปาจักจ่องจริงได้เจือบน้องยิ่งนาง กลางดงควางป่าไม้สมดังไฟข้านิงฝันปีได้หันต่อหน้าแม่นดังเขาวาดีลีแต่เดิมที่นั่นใส่ปีไขรได้คำแดง มาหันแสงหน่วยแก้วมีกาแลออกกวนเมืองดูรุงเรืองวาววาดไข่กำนาดเงินคำมายุกกรรมหน่วยแก้วดวงเลิดแล้วเหลือลาย อนางบุญผายหยดใหญ่ยาโคดไม่เครื่องกาขอคุณนาปงขาดอนุญาตปันใหม่ยฮต้นใจได้จอดตีห้องหยอดสารแด่เตอร์เมือ น, นั้นราชาที่ด้างามอาจคือดังนาจมวลคำได้ยินคำเจ้ากล่าวร้อนผ้าเผาตั้งตัวเหตุว่ากลัวได้ปอก วายนาออกเมื่อเมืองกลัวผ้าบุญเรืองป่อเต้ากับปี่บาวพี่มะเสนาฮือแต่งดากินแขกดังหนแรกเดิมอ่อน <c oughs> กับเต้าผูทอนสุริญราชเจ้าภาศาสตรเมืองไกลจักไปในบ่รอเตียงมวยหมอดเป็นพีอยู่ดงรีฝ่าไม้แม่นโสกไม่ฝ่าใด บอกมีไยเป็นกูดีกว่าอยู่หอคำมีผัวดำกำเส้าพิษแบบเบวทำบมาดานางโซภาอ่อนน้อยยินต่ำก้อยมองขี จิงไขวาตีตานก่าวซึ่งเจ้าบ่าวอุ ป, ปราชาวาน้องได้กาลาภาคมาไกลจากปุรีใดละนีเวนขาดจากเต่าสุริญราชเขียวสูนแม่นเป็นบุญขาน้องได้จากจองปะม้าบัรนนาปีเจ้าป้อยไตยเต้ามาตั้นเปื่อจักพันปาน้อง ปีกปอกหองเวียงใจย้อนใจหวังไข่ได้ยังธงใหญ่คำแดงเตี้ยงกินแนงหลายหลากน้องบ่จากไปไหนขออยู่ในป่าเศร้ากับป่อเจ้าตาป่าซาขอโมราณามวยมากงในป่ากว้างดงดำสวนองค์คำปี่เจ้าเตียงปอกเป่าเมื่อได้ บออาจไม า, า, าจักใดยัง่งใหญ่คำขาปีนี่นะหยาบจ้าจักปาคาเมืองเมืองเปื่อคำเลืองแปลงกาตั้งจังมากว่าใคยสั่งบาปลายเลือดแล่บอกคืดแพคุณนะข้านี่มาอยู่ป่าป่อยตววลามาเติง บ่สมเพืงแต่ใส่สั่งหันแต่ไดเงินคำสั่งใจดำกำเศร้าตัวพี่เล่าดูงามบอ ก, ก่าขวามตั้งบาป <c oughs> บ่สุภาพตามกองพิษตำน้องแบบเบาแห่งนักพาเจ้าภูริา ส, สาส่วนศาลานี้เล่าเป็นของพ่อเจ้าราศี หากเกิดมีนั้นจ้าบ่อใจคาปแปงเอาบ่องามเล่าสะอาดเหมือนภาสาดพางกากันตาปะสา ต, ตนป่ออนุญาตต่อปงพันเผยพันมาสู่ก็จุงอยู่ตามใจแล้วเร็วไว้อย่าจ้ารีบอายยนาะเมื่อเมืองน้องเบื่อเยื่งคนบาปนายคนหยาปะาละและนะ ข้นอุป ร, ราชาหยดซอยก็ตอบถอยกำลังว่าดูราสลีคิงบ้างเฮหยหนอลา <c oughs> งามเงินฝ้าสาวสาวันย่าเรียวปั้นโคเท้ายาฟังเฝ้าจาหลายปีเตียงตายมวยหมอดเปื่อด้วยเหตุกำลัง ดังหอกบางเล่มใหญ่มาเสียบใส่หัวใจพี่ได้ไข่แต่เนิ่นว่าพี่คนเคินตกจนมีกังบนเอาไหมหวังไข่ได้คำแดงคือสรีลอมแป้งล่อเบาจริงดันป่าเศร้าตวยบาพี่เวาวาไม่มาดบ่อขาดหายดี ย้อนบ่มียังกู่อันจักอยู่แปลงปิงจุมนางยิงไม้ห่างเขาบ่อ้างจักเปล่าจุมยิงสาวซ้ําำหายเขาบ่ไม่ตาแหล่แหลนา อุปราชเจียงเจ้ากับนางหน่อเนาวนวน ค, คำต่างไข่คำต้านตอออกปากหล่อจอมกันมีหลายอันหลายอย่างมีทางต่างนานาถ <c ười> ึงตาวันกาคำลาดาลป่าดงควางนางคิงบางยอดเง้วจริงฟังฝ้าอไก่กา ไปเก็บบุปผาดอกไม้วางใส่ไว้เดือคขันนำไปปั้นกมเกา่าถวายแก่เจ้าราศีแลออก่อนนี้มาสู่ยังที่อยู่แดนตนก็มีหันเลยนะ กันร้อยที่มารอดนอเจ้าหยอดมูนี้ก็ไขว่าตีต้านต่อซึ่งนังนอโซภาว่ามือตันตาดังนี้จักฮือปี่นอนไหนนอนไปไหนหรือนอกคอจุงบอกปัจจายนางบุญภยัยไขบอกว่าจุงอยู่ปายนอกหิมฟ้า อย่าเข้ามาในห้องบ่อแม่นจ้องกองทําเป็นดังคำว่าว้ตั้งแต่ไทยโบราณว่าน้าตาลน้าอ้อยกับหมดใหญ่น้อยนานา อย่าเอามาไหวไกหมดขี้ไรใจหุมเล่นเข้าซุ้มลายลากินแล้วจากหายตาตั้งเกี่ยงคาหยาอ่อนมีอยู่บ่นแดนใดงัวควายไปส่อใสกินบอกไว้ถึงดินกันว่ากินอิ่มต้องก่อปิกลองถอยหนีจุมดารีน้อยใหญ่อยู่จิมไกใจรำ บ่อดีงามสักยาจุมดักพาเตียนขวันกันไขปันเบียนแล้วนา่งดอกแก้วบุญชูก่อฮับผ้าตูวไหมันใส่แสดันไปในบ่อจะไขเกาต่าดักอยู่ไปในก็มีหันแล่นาส่วนนอพุทธตนองอาจคือเจ้าน้อยนาตาสะ ว่ารากอใสญญานอนออกแสงห้องบ่อกกำไป <c oughs> ว่าเกยหันในเมืองกว่างค้นอยู่สร้างลวงลายพ้องใจภายพองแพวฮือแค่แก้วนอนดีไรว่าที่ต้านต่บอบ่อรับหมอนนอนใน พ้องมีใจกีดจอมบอแพ่อออมคุณนาฮือแขกมานอนนอกบอเข้าออกจากใครดักนอนหนบอปากตีแต่หากพกฟัง <c oughs> พี่มายังป่าไม่ป้าน้องไทยโซผ้าดังเตาวาดาลงห้องมาอยู่ต้องดงไพรปล่อยมีใจไรหด บอ่อภายพอดผานี่ตัวนอนดีได้ห้องบอ่อปากป้องไขรจาฮือแขกมานอนออกปฏิบัติออกเสียรมนี้จากกำเก่าก่อนเช่นปูมอนสอนปันว่ากันได้หันแขกแก้วมาหอดแล้วเฮือนตนจุงเรร้นรับตอนกำปากอ่อนจาวาน แป้ง น, นาบานนน้านจืนยาวแม่นโคดห้าปปานใดจุงแปลงใจจืนจ้อยไข่าวทอยกำนียาดาตีลูกเตาย้ำแขกเข้าเฮืขอนมา อย่าดาหมูมาเป็ดไก่อย่าดาขาใจคนในอดหน้าใสใจจืนเขานำยืนย่อต้มเฮือแขกคำแขกแกวกินอิ่มแล้วนอนใน สวนสลีดงไว้งามอาจละวเวนขาดเสียกองฮือปีมองนอก้องกลางเถื่อนทองดงรีเยียวเสือมีตัวหยาบมากันกาบเอาไปยักดงไพรเดินสอดพดมารอดสาลาปีเตียงมารานะเป็นเก่นบ่ออาดเล่นลบกดีเป็นตุกขีแต่เรา ดังกำเก่าจะมาว่าคนอนาถ า, าอยากไร่ไผบอกให้จะทาคนบอง้ามข้างเคื่นไัยบอกเอินจะเติงกึดรำเปิงแต่ใสคือหากใดตัวใจเตียงได้ตายความนาอยู่กลางป่าดุงรีเจ้าบุญมีดอดเงาทริก่านานา นางโซผานยอดซอยบ่อตอบถอยกำได้เต่านอนในดักอยู่บ่อเก่าสักํำกอมีฮันและนาโั <c oughs> นาทิตวะเสกันวันลุนรุงเจ้านางน่อนเน่าบุญนาคกอดังด้าลุกไม่มีมความไขไหลอันตั้งหัวมันหลายสิ่งราสาหนิงเอาใจ แล้วนำไปก้มเก่าทวายหวปอเจ้าราศีปฏิบัติดีบ่พอนดังแต่ก่อนวันอ่อนแล้วรีบจอปิกปอกไหวหน้าออกขึ้นมาเอาผาละลูกไม้อันดาไว้หลายอันยอยืนปันแก่เจ้ากินต่างเขายามง่ายก็มีวันนั้นแลยนะ เนตตังขีญาสังวันานาวิเศษจ่าหองเหตุนาดวนคำผูกทวนซิบกอบังกมสมเรดเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแว